เสื่อมโทมสุดแตกพังสิ้นสังขารอานิจจังตั้งอยู่ไม่สู้นานทำลายลานหมดทั่วทั้งชั่วดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านรายการอาจารย์ยอดปีที่ยี่สิบห้าครับคำประกะตัอยูนี่เป็นรากฐานแท้แก่นเดิมที่ควรจะมีในจิตใจของมนุษย์ทุกคนแต่ว่าน้อยคนที่จะขุดมันขึ้นมาสำนึกมันขึ้นมา เมื่อพ่อแม่แก่ชร า, าก็ปล่อยปละละเลยให้ใช้ชีวิตอย่างลำพังอย่างอ้างว้างเดียวไดอ่าก็แก่แล้วนี่ตัวเรายังไม่แก่นี่จะไปสนทาไมอ่ะอ่าจะไปคิดถึงความแก่ทาไมไวัยรุ่นก็คิดแต่เพียงฉาบฉวยความสุขตรงหน้านะแล้วพอโตขึ้นมามีกำลังวังชาเป็นหนุ่มใหญ่ตัวเองก็ยิงยโสอยู่ในสังคมไม่เคยช่วยผู้ที่อ่อนแอผู้ที่รอคอยความอบอุ่น ชีวิตในยามแก่เท่าของพ่อแม่ช่วงสุดท้ายเนี่ยท่านต้องการอะไรเงินทองหรือเปล่าในชีวิตขั้นสุดท้ายที่พ่ อ, พอแม่ต้องการ เ, เป็นอย่างไรบ้างนี่ไม่ได้เคยคิดถึงเลยนะบางคนอยู่กับพ่อแม่สองชั่วโมงก็รู้สึกรำคาญแล้วเหมินสาบแลวรังเกียจแล้วแล้วอย่างเงเราจะตอบแทนพ่อแม่รู้ว่าท่านยิ่งเป็นโรคร้ายในก็ ทำลายบัณฑรสุขภาพจิตใจท่านลงไปอีกมีแต่หวังผลประโยชน์มีแต่หวังผลความสุขสบายมีแต่หาความสุขทางกายให้ตัวเองได้รับมีแต่ความสํานึกเพียงผิวเผินนะหรือว่าสํานึกแต่ปากหนึ่งในร้อยอ่าจะหาได้สักกี่คนเนี่ยที่กระตันญูวันนี้ก็เลยจะเล่าเรื่องลูกกระตันยูให้ฟังแต่ความจริงอาจารย์ยอดเล่าไปหมดแล้วละ่ะเรื่องของยี่สิบสี่ยอดกะตันยูเนี่ยนะอ่าแต่วันนี้จะเล่ายอ่ยอ เพื่อทบทวนว่าอาจารย์ยอดเคยเล่าอะไรให้ท่านฟังไปแล้วบ้างแล้วก็หนูจําได้บ้างหรือเปล่าอ่าว่าที่อาจารย์ยอดเล่าไปเพราะแต่ละเรื่องนี่ยาวๆทั้งนั้นนะอะ่แต่วันนี้เดี๋ยวจะเล่าเพียงแค่สรุปเพื่อให้ระลึกนึกถึงว่าอ่าจําได้ไหมว่าอาจารย์ยอดเคยพูดมาเริ่มกันด้วยลูกกระตัญยูคนที่หนึ่งนายหญีสุนนีิกําพร้าแม่มาตั้งแต่เด็กเตี่ยชื่อนายโซ อ่ามีแม่เลี้ยงเพราะว่าอ่าพอเมียตายแกก็รีบไปหาเมียใหม่เชียวอเสร็จแล้วเมียใหม่เนี่ยก็มีลูกปรากฏว่าทั้งเมียใหม่กับลูกนี่จิตใจคับแคบหยาบช้าเห็นแก่ตัวแม้ว่าในสุนนี่จะถูกแม่เลี้ยงกับลูกวางแผนเผาทั้งเป็นแล้วก็กลบฝังในบ่อน้ำแต่ก็รอดมาได้ทั้งสองครั้งอ่าเพราะเาเป็นคนดีในสุนก็ไม่ได้ ถือโทษโกรธเพืองแม้แต่น้อยในสุนไปทำนาอยู่เชิงเขามีช่างมาช่วยไถายนาและมีฝูงนกมาช่วยกำจัดวัชพืชอย่างน่าอาัศจรรย์ความกตัญญูกตเวทีของในสุนนี่ทราบถึงพระเจ้าติา้าหรณพระองค์ก็ส่งพระโอรสเก้าองค์ไปช่วยในสุนนี่ทานาแล้วก็ยกพระธิดาสององค์ให้เป็นภริยาเมื่อพระเจ้าติยาหรณทรงชรามากแล้วก็มอบราชสมบัติให้แก่สุนนี่ ซึ่งขึ้นคลองราดแล้วก็ส่งมะนางว่าพระเจ้าสุนตี้น่ะอันนี้ลูกกัตันยูคนที่หนึ่งเรื่องช้างกับนกมาช่วยทํานานี่นะชาวจีนก็รู้กันทั่วทีนี้มาถึงคนที่สองสมัยราชวงศ์ฮั่นน่ะตอนนั้นฮั่นวั่นตี้ได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระเจ้าฮั่นโกโจพระเจ้าเวั่นตี้เนี่ยเป็นผู้มีกับความกตันญูเป็นเลศิศทุกเชา้าทุกค่ำพระองค์จะต้องเสด็จไปเยี่ยมถามทุกสุขของประมาณดา ครั้งหนึ่งพระมานดาเกิดล้มป่วยลงพระเจ้าเวนตีกระวนกระวายพระไทยมากทุกวันนอกจากการบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระองค์จะไม่ห่างกายจากพระมานดาแม้แต่ก้าวเดียวนอกจากนี้ยาที่พระมานดาเสวยทุกชามพระเจ้าเวนตีจะต้องลองชิมด้วยพระองค์เองก่อนทุกครั้งว่าจะร้อนไปขมไปหรือว่ายาแรงไปหรือเปล่าแล้วพระองค์ถึงค่อยป้อนพระมานดา ประมาณดาป่วยอยู่สามปีจนในที่สุดก็ค่อยๆหายเป็นปกติอ่านนี้เป็นลูกกตัญญูที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นคนที่สองคนที่สามสมัยราชวงศ์โจในจงซันนี่เป็นลูกศิษย์อยู่ในสำนักของอาจารย์ขงจื้อนะครอบครัวมีฐานะยากจนจงจื้อนี่เป็นผู้มีความกตัญญูอย่างแรงกล้า ปริบัติผู้บังเกิดเกล้าวด้วยความอาจจะเอาใจใส่แล้วก็ถนอมน้ําใจให้มีความสุขวันหนึ่งขณะที่เขากําลังตัดฟืนอยู่ในป่าก็ปรากฏว่ามีแขกคนยังมาเยือนที่บ้านที่นี่ยจงจื้อในไม่อยู่อีกทั้งไม่มีเงินจะซื้ออาหารมาเลี้ยงรับรองแขกตามประเพณีแม่ก็ร้อนใจที่รอแล้วรอเล่าลูกก็ยังไม่กลับมาในที่สุดนางก็เกิดความคิดขึ้นว่าสายเลือดของแม่กับลูกนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกัน ก็เลยใช้ฟันกัดนิ้วตัวเองจึงกระทั่งเป็นแผลเลือดออกในบรรดลนนั้นจึงจื้อก็รู้สึกเสียแผลเข้าไปในหัวใจสังคอนใจว่าทางบ้านคงจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็รีบแบกฟืนกลับบ้านทันทีนี่แสดงว่าเขาเป็นลูกกระตันยูอย่างยิ่งทีเดียวนะคือสายสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่เนี่ยมีมากแล้วเขาสามารถที่จะรับรู้ได้่าเพราะว่าพอแม่เจ็บแผลเนี่ยเขารู้ทันทีเลยนะ แล้วก็รีบกลับมาบ้านนี่เป็นลูกอจันยูคนที่สามลูกอจันยูคนที่สี่แบกข้าวร้อยลีครับสมัยราชวงศ์โจนี่ในจืลู่นี่เป็นสิทธิ์คนหนึ่งในสำนักของอาจารย์คงจืรอเป็นกันครอบครัวของเขายากจนมากต้องไปเก็บผักป่ามากินประทังชีวิตเพื่อจะเลี้ยงดูผู้บังเกิดเกล้าเขาต้องไปรับจ้างทํางานไกลบ้าน ฉันได้เงินมาก็จะซื้อข้าวสารแล้วก็แบกกลับบ้านเป็นระยะทางไกลเป็นร้อยลีเป็นประจำพ่อพ่อแม่เสียชีวิตแล้วจื่อลูกก็เดินทางลงใต้ไปรับราชการที่แคว้นชูจนได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่แม้ว่าตอนนั้นชีวิตของเขาความเป็นอยู่ของเขาจะสมบูรณ์พูนสุขแต่จิตใจของเขาก็ยังคงระลึกนึกถึงบุปการีอยู่เสมอเขามักจะรำพึงรำพันว่าแม้ว่าบัดนี้เราจะมั่งมีสีสุข แต่เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่แล้วการอยู่ดีกินดีจะมีความหมายอะไรยังคิดอยากจะเหมือนเช่นแต่ก่อนที่กินผักป่าแล้วก็แบกข้าวไกลร้อยลี้เพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่เสียดายที่วันเวลาเหล่านั้นไม่อาจจะหวนกลับมาอีกแล้ว อ, อันนั้นก็เป็นเรื่องของจือลูกนะครับสิทธิคนสำคัญของอาจารย์คงจือมาถึงลูกอาจารย์ยคนที่ห้าเรื่องแม่เลี้ยงใจลาเอียง สมัยราชวงศ์โจนี่ในจือเซียนนี่กำพร้าแม่มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเตี่ยมีเมียใหม่แล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนแม่เลี้ยงก็เกลียดจือเซียนมากมักจะหาเรื่องดุดา่าเคี้ยมตีอยู่เสมอก็ธรรมดาแหละแม่เลี้ยงก็ต้องเกลียดลูกเลี้ยงนะนะส่วนใหญ่วันหนึ่งในหน้าหนาวเตี่ยก็ใช้ให้จือเซียนนี่เข็นรถมา้าออกไปข้างนอกเพื่อจะไปธุระขณะที่จือเซียนกําลังเข็นรถมา้าเชือกบางเหียนที่บังคับมาก็หลุดจากมือ เมื่อเตี๋ยมาตรวจดูเสื้อผ้าของจือเซียนก็รู้ความจริงว่าเสื้อกันหนาวของจือเซียนเนี่ยบุด้วยนุ่นเทียมนะคือไม่ใช่ของแท้ขั้นไปตรวจดูเสื้อผ้าของลู ก, อกสองคนซึ่งเป็นลูกของอ่าเมียน้อยเนี่ยปรากฏว่าภายในบุด้วยนุ่นอย่างดีก็เกิดโมโหคิดจะขับไล่นางออกจากบ้านจือเซียนก็รีบคุกข่าววิงวอนว่าเตี๋ยอย่าไล่แม่ไปนะครับ ถ้าแม่อยู่แล้วผมไปเนี่ยผมหนาวคนเดียวเท่านั้นถ้าแม่ไปเนี่ยเราสามคนต้องลำบากไร้คนดูแลนางได้ฟังคำพูดของลูกเลี้ยงก็รู้สึกตื้นตานใจเหลือเกินแล้วก็ได้สำนึกผิดตั้งแต่นั้นมานางก็รักและเอ็นดูจือเซียนเสมอด้วยบุตรของตัวเลยทีเดียวลูกกตัญญูคนที่หกรีดนมควางรักษาบุปการีสมัยราชวงศ์โจในถันชื่อเป็นผู้มีความกตัญญูเป็นเลิศ อ่าเลิอดเพราะอะไรพ่อแม่แก่ชรามากแล้วตาทั้งสองข้างมืดบอดก็ได้ยินเขาพูดกันว่าน้ํานมควางนี่สามารถรักษาตาได้ทันจื่อก็เลยไปหาซื้อหนังควางมาคลุมตัวเสร็จแล้วก็แอบเข้าไปในป่าลึกแฝงตัวอยู่ในหมู่ควางเพื่อจะรีดน้ํานมของควางเนี่ใส่กาครั้งหนึ่งขณะที่ก็กําลังนําน้นํานมควางกลับบ้าน บังเอิญนายพรานมาพบเห็นเขาก็คิดแบบเป็นกวางป่าหลงทางออกมาเขาเกือบจะถูกนายพรานยิงตายด้ยวยลูกธนูเพราะเข้าใจผิดเมื่อถันจื้อเล่าความจริงที่ต้องปลอมเป็นกวางให้ในายพรานฟังนายพรานก็ชื่นชมแล้วก็ยกย่องในความกตัญญูเป็นอย่างมากของเขาแล้วเมื่อพ่อแม่ได้ดื่มน้นํานมกวางตาที่มืดบอดมองไม่เห็นก็ค่อยๆหายวันหายคืนจนเป็นปกติครับ มาคุยกันถึงเรื่องของยี่สิบสี่ลูกกระตันยูกันต่อมาถึงลูกคนที่เจ็ดนะครับลูกกระตันยูคนที่เจ็ดคนนี้แกล้งทำตัวเป็นเด็ก่ก็ทำยังไงครับในเหลาไหลจื้อเป็นคนกระตันยูต่อผู้บังเกิดกล้าวเป็นอย่างยิ่งก็มีชีวิตอยู่สมัยราชวงศ์โจนะครับตอนนั้นในไหลจื้อนี่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว แต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองแก่เขายังแข็งแรงแล้วก็มีความสุขอยู่กับการดูแลปรนิบัติพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่สุขกายสบายใจเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกสรรแต่อาหารดีๆที่พ่อแม่ชอบมาปรนิบัติอยู่เสมอแล้วเวลาที่พ่อแม่เหงาก็หาอุบายเพื่อให้พ่อแม่เล่นอาเกิดความบันเทิงเรองใจ เขาจะสวมเสื้อผ้าสีฉูดฉาดออกมาเต้นแดงเต้นการ้องร้องรำรำบางแกล้งทําตัวเป็นเด็กปัญญาอ่อนมีมุกให้พ่อแม่ตลกขบขันหาอุบายทําเป็นเด็กน้อยเล่นหาบน้ําแกล้งลื่นหกล้มส่งเสียงร้องไห้งอแงผัเขาหาพ่อแม่ร้องออดอ้อนอซอเหมือนเมื่อครั้งอย่างเด็กทั้งที่ตัวเองอายุตั้งเจ็ดสิบแล้วนะไม่เห็นพ่อแม่สนุกสนานหัวเราะชอบใจเขาเองก็มีความสุขชื่อของในเหล่าหลายชื่อนี้ได้ รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของลูกกะตันยูคนที่เจ็ดนะครับของจีนคนที่แปดนี่ขายตัวฝังศพพ่อในคนนี้ชื่อในตงหยงเกิดสมัยราชวงศ์ฮั่นเขาสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เล็กในขณะที่หนีภัยสงครามแม่ตายต่อมาเตี่ยเขาก็เสียชีวิตลงอีกคนหนึ่ง ทีนี้พอเตี่ยตายเนี่ยตังไม่มีตงหยงต้องขายตัวไปเป็นทาสเพื่อแรกกับเงินค่าทำศพพ่อจะเอาเงินมาซื้อโลงพอเสร็จจะงานศพนะก็เดินทางไปยังบ้านเศรษฐีระหว่างทางเขาได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่งนางก็บอกว่านางเป็นคนพเนจรร่อนเร่เหมือนกันไม่มีบ้านช่องนางยินดีจะแต่งงานกับตงหยงตงหยงก็ตอบตกลงนะเพราะว่าไม่มีอะไรด้วยกันทั้งคู่ พอทั้งสองคนเดินทางไปถึงบ้านเศรษฐีเศรษฐีก็บอกว่าอไอ้เงินที่เจ้าขอยืมไปทาศพะนะพวกเจ้าจะต้องทอผ้าให้ได้สามร้อยพับถึงจะเท่ากับจานวนเงินที่เอาไปทำศพพอ่อแล้วถึงจะกลับบ้านได้ทั้งสองก็ช่วยกันทอผ้าโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนก็ได้ผ้าครบตามจำนวนพอ ป, ปลดหนี้ได้หมดทั้งสองก็เดินทางกลับบ้าน แต่เมื่อมาถึงต้นไม้ที่พวกเขาได้พบกันครั้งแรกตรงที่เจอกาเมียของเขาเนี่ย น, นางก็อำลาจากไปความจริงก็เลยปรากฏว่าแท้จริงนางก็คือนางฟ้าจำแรงกายลงมาด้วยความชื่นชมในความกตัญญูของตงหงิงแล้วก็มาช่วยทอผ้านะต่อไปลูกกตัญญูคนที่เก้าแกะรูปพ่อแม่ขึ้นแท่นบูชาครับสมัยราชวงศ์ฮั่นมีชายหนุ่มคนนึงชื่อในติงหลัน พ่อแม่ตายตั้งแต่เขายังเด็กก็เลยไม่มีโอกาสปฏิบัติเลี้ยงดูทดแทนพระคุณเขาเฝ้าแต่ละลึกถึงพระคุณของท่านทุกวันทุกคืนก็ใช้ไม้แกะสลักเป็นรูปพ่อแม่ตัวเองแล้วก็นําขึ้นแท่นบูชากราบไหว้แล้วก็ปรนิบัติท่านทั้งสองเสมือนท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ในคราวที่ชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาอะไรเขาก็จะมาคุกเข่าพูดคุยกับท่านทั้งสองอ่า แล้วทุกวันเขาจะจัดอาหารนํามาถวายจะไปไหนมาไหนก็ต้องรายงานบอกกล่าวเหมือนว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะเพราะทำอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันนานวันเข้าเมียของเขาก็เริ่มแสดงอาการรําคาญไม่พอใจเบื่อหน่ายปรากฏว่าท่าไหนไม่รู้วันเอาเข็มแทงที่นิ้วมือรูปแกะสลักไม้เนี่ยปรากฏไม่เลือดไหลออกมาพอติงหลานกลับมาเห็นมีน้ําตาไหลออกมาจากรูปแกะสลักก็เกิดความสงสัย เสร็จแล้วเขาก็รู้ความจริงก็เลยตัดสินใจอยากขาดจากภรรยาใจดำของเขาต่อไปลูกกัทันญูคนที่สิบแบกแม่หนีภัยครับสมัยราชวงศ์หั่นในเจียงเก๋อเป็นลูกกัทันยูที่กำพร้า พ, พ่อมาตั้งแต่เด็ก ก, ก็อยู่กับแม่ผู้ชราเพียงลาพังเวลานั้นพวกโจรก่อการร้ายชุกชุมมากก็ต้องหนีกอยู่เสมอเขาก็บอกแบกแม่ไว้บนหลังหนีภัยไปอยู่ที่อื่น ระหว่างกำลังหนีอยู่ในป่านะช่วงไม่ดีไปเจอกับพวกโจรพวกโจรก็คิดจะฆ่าเขาเจียมเก๋อก็อ้อนวอนหัวหน้าโจรว่าได้โปรดเถิดท่านผู้ใจบุญผมมีแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูแม่น่ะแก่ชรามากแล้วถ้าหากว่าฆ่าผมแม่ผมก็จะไม่มีใครดูแลหัวหน้าโจรเห็นเขามีความประทันญูอย่างนี้ก็เกิดความาซาบซึ้งใจก็เลยปล่อยตัวไปเขาย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ห่างไกลผู้คนด้วยความยากจนถึงขนาดว่าเสื้อ กับรองเท้านี่ไม่มีจะใส่เงินทองที่พอหาได้เขาก็นํ า, านไปซื้อหาสิ่งของเพื่อปลนนิบัติแม่แล้วต่อมาเขาได้รับการยกย่องเป็นยอดกะตันยูในสมัยกษัตริย์บิงตี้ต่อมาถึงกษัตริย์จังตี้เขาได้รับการยกย่องเป็นเมธีและได้รับการส่งเสริมให้ดำรงตําแหน่งขุนนางคนสําคัญทีเดียวต่อไปคนที่สิบคนนี้ดังเพราะขโมยส้มฝากแม่ เป็นเด็กอายุแค่หกขวบชื่อลกแจ็ก่าเกิดสมัยราชวงศ์ฮั่นตอนนั้นได้ไปเฝ้าคารวะเจ้าเมืองจิวเจียงชื่อท่านอ้วนสุดท่านอ้วนสุดสั่งคนใช้ให้จัดส้มมาเลี้ยงแขกตามธรรมเนียมถึงจะเป็นเด็กพอลกแจ็กได้ทานแล้วก็อดไม่ได้ที่นึกถึงแม่ก็แอบหยิบส้มสองผลใส่ไว้ในแขนเสื้อ พอถึงเวลากลับก็มาทำคารวะเพื่อจะอำลาเจ้าของบ้านไอ้ตอนที่มาสบัดมืออำลาเนี่ยประเพณีจีนเนี่ยเสื้อเอามายาวๆสบัดแขนผือภาพผือับแบบงิว้วพระเอิญส้มที่ซ่อนไว้หล่นลงมาอ้วนสุดเห็นแล้วก็พูดสะบยอกบอกว่าลกแจ๊กเอ้ยเจ้ามาเป็นแขกนะทำไมถึงขโมยส้มของเราไม่กลัวคนก็จะหัวเราะเยาะอารมเหรอ เด็กน้อยออก็คุกเข่าแล้วก็บอกว่าแม่ผมไม่ชอบทานส้มที่สุดเลยครับผมตั้งใจจะเอาไปฝากเมื่อแม่ได้ทานก็นะับว่าท่านได้เลี้ยงแขกเพิ่มอีกคนหนึงนะครับได้บุญเพิ่มขึ้นอ้วนสุดได้ฟังอย่างนั้นก็ชมเชยว่าเออเด็กอายุเพียงแค่นี้ยังรู้จักกตันยูต่อแม่นมหายากก็เลยสั่งคนรับใช้ให้จัดส้มหนึ่งกระเช้าเดินตามไปส่งเด็กน้อยผู้ซึ่งมีความกระตัะตนยูเป็นเลิศนั่นก็คือประวัติของลกคเจ็กขโมยส้มฝากแม่ ต่อไปคนที่สิบสองครับลูกอาจาย์ยูคนที่สิบสองฝังลูกเพื่อแม่สมัยนั้นกั๋วจีเนี่ยเป็นคนยากจนอยู่กับแม่เพียงลําพังบํารุงเลี้ยงแม่แล้วก็ปรนิบัติให้แม่มีความสุขต่อมาแม่ก็ไปสู่ขอหญิงสาวให้มาเป็นภรรยาแล้วก็ให้กําเนิดบุตรชายอันเป็นที่รักของย่าเหลือเกินเวลากินอาหารย่าก็จะให้หลังกินส่วนของยา่าจนอิ่มหนําสํารานแล้วย่าก็ถึงจะกินส่วนที่เหลือ นับวันเด็กก็ยิ่งโตนะแต่ก่อนเด็กๆ ก, ก็กินน้อยยากว่าเหลือเยอะแต่ตอนนี้เด็กมันโตล้ากินหมดฮะไม่พอกวัวจีเห็นแล้วก็เกิดความไม่สบายใจก็บอกเมียบอกเราควรจะเอาลูกไปฝังถเถอะแม่จะได้กินอาหารอิ่มท้องลูกนะ่ะอาจจะมีใหม่ได้แต่แม่นี่ไม่อาจจะมีใหม่ได้อีกขณะที่กวัวจีใช้จอบขุดดินลึกสามฟุตเพื่อจะฝังลูกก็พบทองแท่งมีอักขระจารึกไว้ว่า ฟ้าประธานให้ลูกกตัญย์ยูแม่ขุนนางชาวประชาก็ไม่อาจจะแย่งชิงอ่าคุณธรรมของเจ้าไปได้สองสามีภรยาก็นำทองคำกลับบ้านและพวกเขาก็ปรนิบัติ ด, ดูแลแม่กับลูกเป็นอย่างดีต่อไปลูกกตัญยูคนที่สิบสามสมัยราชวงศ์ฮั่นครับในห่วงเสียงเป็นชื่อของลูกกตัญญยูคนหนึ่ง ตอนที่เด็กในกำพร้าแม่ตั้งแต่อายุเก้าขวบเขาก็เฝ้าคิดถึงอะไรผู้เป็นแม่ที่จากไปอยู่ทุกวันทุกคืนหวงเสียงตั้งอกตั้งใจทํางานด้วยความขยันขันแข็งคอยปฏิบัติรับใช้เตี่ยอย่างดีที่สุดตามหน้าที่ของลูกที่ดีในฤดูหนาวก่อนที่เตี่ยจะเข้านอนเขาก็จะขึ้นไปนอนเกลือกลิ้งบนที่นอนเพื่อให้ไออุ่นในร่างกายเนี่ยมันไปกรบความหนาวเย็นซะ แล้วหน้าร้อนเขาก็จะใช้พัดโบกวีเพื่อไล่ความร้อนให้ที่นอนเย็นสบายแล้วถึงจะเชิญเตี่ยขึ้นนอนเขาปฏิบัติอย่างเรื่อยๆมาโดยไม่คิดเบื่อหน่ายกิตติศัพท์ความกตัญญูของเขาเรื่องลือไปไกลจนทราบถึงเจ้าเมืองท่านก็ขอให้ทางราชสำนักประกาศยกย่องเกียรติคุณความกตัญญูกตวเวทีของหลวงเชียงจนเป็นที่ทราบกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับนั่นเป็นลูกกตัญญูคนที่สิบสาม ต่อไปคนที่สิบสี่คนนี้เก็บผลหม่อนเลี้ยงแม่เรื่องเกิดสมัยราชวงศ์ฮั่นน้าไซซุนนี่กัมพรพ่อมาตั้งแต่เด็กเขาก็ปรนิบัติดูแลแม่โดยวความกตัญญูเวลานั้นบ้านเมืองเกิดสงครามเข้ายากหมากแพงเขาได้แต่ไปเก็บผลหม่อนให้แม่กินประทังชีวิตไปก่อนเวลาที่ไซซุนเนี่ยไปเก็บผลหม่อนจะต้องนำตะกร้าไปสงใบ เพื่อแยกลูกม่อนสีดำกับสีแดงวันนั้นบังเอิญพวกโจรป่ามาเจอเข้าหัวหน้าโจรก็เกิดความประหลาดใจก็ถามว่าทำไมเอ็งจะต้องแยกลูกม่อนสีแดงกับสีดำเป็นสองตะกร้าด้วยทำไมไม่ใส่ไปในตะกร้าใบเดียวไส้ชุ่นก็บอกว่าไอ้ผลม่อนสีดำมันมีนมรสหวานครับผมจะเอาไปให้แม่กินส่วนสีแดงมันเปรี้ยวผมเอาเก็บไว้กินเองครับหัวหน้าโจรได้ฟังก็เกิดความชื่นชมในความกตัญญูของเขา แม้จะตกอยู่ท่ามกลางภาวะอับจนแต่ก็ยังดำรงความกระตันยูในจิตใจเขาก็เลยสั่งลูกน้องให้นำข้าวสารสามกระสอบกับเนื้อวัวหนึ่งขามามอบให้นำกลับไปเลี้ยงดูแม่นะต่อไปคนที่สิบห้าตักน้ำไกลบ้านครับสมัยราชวงศ์ฮั่นเหมือนกันเจียงซือผู้รกระตันยูต่อแม่เนี่ยมีภรรยาชื่อนางผังอ่ นั่งผังนี่เป็นลูกสะัยเยี่ยมมากมีความกาตัญญูต่อแม่ผัวยิ่งกว่าตัวเจียงสื่อซะอีกอแม่ผัวชอบดื่มน้ำจากแม่น้ำฉังเจียงลูกสะัยก็ไม่กลัวต่อความยากลำบากพยายามไปหาบน้ำจากแม่น้ำซึ่งอยู่ไกลถึงหกสิบเจ็ดลี้หกสิบเจ็ดลี้เท่ก็ประมาณสามสิบกิโลเมตรมาให้แม่สามีดื่ม แม่ชอบกินเนื้อปลาสองสามีภรยากไปหาปลามาปรุงอาหารให้แม่กินอีกทั้งเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมกินเป็นเพื่อนเพื่อให้แม่เจริญอาหารอยู่มาวันหนึ่งที่สวนหลังบ้านนึกเกิดตาน้ําผุดขึ้นเป็นแอ่งน้ําพุอย่างน่าอัศจรรย์มีรสเหมือนแม่น้ําจากแม่น้ําฉังเจียงแล้วก็มีปลาในในโผล่ขึ้นทุกวันจากนั้นเป็นต้นมาทั้งสองสามีภรยาก็ใช้น้ําและปลาจากแอ่งน้ําผุนี่มาปรุงอาหารให้แม่ได้บริโภค ก็ทำให้ลูกสะพ้ียไม่ต้องเดินทางไปหาบ้าแล้วก็หาปลาไกลถึงฉางเจียงอีกต่อไปครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับวันนี้ก็จะทบทวนกันทั้งหมดอ่ะยี่สิบสี่ลูกกระตันยูของจีนน่ น, นะครับมาถึงคนที่สิบหกแล้วชื่อในหวังโผ หวังโผนี่เป็นปราดผู้มีความรู้ความสามารถพ่อของเขาถูกฆ่าตายเขาก็เลยต้องหลบซ่อนตัวแล้วก็ทำงานสอนหนังสือเลี้ยงชีพหวังโผก็มีความปัจจันญูต่อแม่ของเขาเป็นอย่างยิ่งยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนขณะที่แม่ของเขามีชีวิตอยู่เนเป็นคนกลัวเสียงฟ้าร้องมากเวลาฟ้าร้องถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยนางจะตกใจหวาดกลัวจนตัวสัน่น หวังโวก็จะรีบเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนอย่างใกล้ชิดจนกว่าฟ้าจะสงบเมื่อแม่ตายแล้วเขาก็นำศพแม่ไปฝังไว้ในป่าทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าร้องเขาจะวิ่งไปที่หน้าหลุมฝังศพแล้วหมอบลงกอดหลุมฝังศพแล้วก็บอกว่าแม่จ๋าลูกอยู่ที่นี่แล้วแม่ไม่ต้องกลัวทุกครั้งเลยฝนตกฟ้าร้องเมื่อไหร่เขาเป็นต้องไปหลุมศพแม่ทุกครั้งวันเดือนปีล่วงไปแม้ว่าเขาจะ เข้าชราลงแล้วก็ตามเมื่อฝนตั้งเขามีท่าว่าจะเกิดเสียงคว้าร้องเขาจะถือไม้เท้ายักแย่ยักยันเดินโซเซเข้าไปในป่ายังที่ฝังศพแม่ตราบจนกระทั่งวันสุดท้ายแห่งชีวิตนี่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดลูกกตัญญูคนที่สิบหกต่อไปคนที่สิบเจ็ดสมัยราชวงศ์ถังนางซุนหูหญินนี่ชรามากแล้ว วันร่วงหลุดหมดปากไม่สามารถจะกบเคี้ยวอาหารได้หมอแนะนำให้ดื่มน้ำนมของคนประจวบกับเวลานั้นนางท่านหูหยินซึ่งเป็นลูกสะใภ้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเมื่อจำเป็นต้องกินน้ำนมเพื่อให้ยังมีชีวิตอยู่ต่อนางก็สละน้ำนมของนางให้แม่ผัวดื่มทุกวัน ก่อนที่จะให้น้ำนมแม่ผัวนางก็จะอาบน้ำชำระร่างกายจนสะอาดแต่งตัวเรียบร้อยเข้าไปในห้องโถงแล้วก็ป้อนน้ำนมให้แม่ผัวดื่มนางปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำแม่ผัวก็มีกําลังวังชาแข็งแรงขึ้นอายุยืนอยู่ต่อไปได้อีกหลายปีอยู่มาวันหนึ่งนางก็เกิดล้มป่วยหนักก็เรียกลูกหลานทุกคนมาร้อมหน้าแล้วก็บอกว่าเมื่อข้าตายไปแล้วถ้าหากว่าใครนึกถึงข้า หวังจะให้ความตั้งใจของข้าสมปรารถนานะจงปลิบัติลูกสะใภ้ของข้าคนนี้อย่างน้อยก็ให้เท่ากับที่เขาปลิบัติข้าน ะ, ะนี่แม่ผัวสั่งเสียกบับบรรดาลูกหลานทุกคนเอาไว้อันนี้ก็เป็นยอดกระตันยูคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกแท้ๆหรอกลูกสะใภ้ก็แสดงความรักความกระตันยูต่อแม่ผัวได้เหมือนกัน ต่อไปคนที่สิบแปดสมัยราชวงศ์จิน้นในหวังเสียงในกรำพรามแม่ตั้งแต่เด็กนางจูแม่เลี้ยงก็เกลียดชังลูกเลี้ยงเป็นอย่างมากมักจะหาเรื่องให้ร้ายให้ร้ายหวังเสียงเนี่ยต่อหน้าเตี่ยเขาอยู่เสมอจนกระทั่งเตี่ยหมดความเอ็นดูเขาจะเกลียดจะถึงยังไงหวังเสียงก็ยังคงกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ไม่เสื่อมคลายต่อมาผู้เป็นพ่อและแม่เลี้ยงเกิด ล้มป่วยลงแม่เลี้ยงนี่ชอบกินปลาเป็นที่สุดแต่ว่าตอนนั้นเป็นฤดูหนาวหิมะตกหนักน้ําในแม่น้ําจับตัวเป็นน้ําแข็งไม่อาจจะหาปลาได้ด้วยความสํานึกด้วยความกตันญูหวังเสียงก็บันดาลความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ก็ตรงไปที่บึงน้ําแข็งแล้วก็ถอดเสื้อออกนอนนาบกายลงบนพื้นน้าแข็งเพื่อให้น้ําแข็งละลายครู่ต่อมาน้ําแข็งก็แยกออกเป็นสองร่อง มีปลาในสองตัวกระโดดขึ้นมาเขาก็ดีใจมากรีบนำปลากลับไปปรุงอาหารให้พ่อกับแม่เลี้ยงทานนะอันนี้เป็นลูกกระตัญยูคนที่สิบแปดต่อไปคนที่สิบเก้านะคนนี้ล่อยุงให้พ่อหลับสบายสมัยราชวงศ์จิ้นครับเด็กชายอูเมึงในอายุเพียงแปดขวบก็รู้จักกระตัญยูต่อผู้บังเกิดเก้าแล้วเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจนข้นแค้นก็เลยไม่มีเงินซื้อมุง้ง ยุงก็มารุมกัดจนเตี่ยของเขาหุดหงิดนอนไม่สบายทั้งหน้าร้อนอากาศก็ร้อนด้วยยุงมาแหลงต่างๆก็ชุกชุมตอนกลางคืนนี่อูเมื่งแปดขวบนี่จะนอนถอดเสื้อนั่งอยู่ข้างเตยียงของเตี่ยเพื่อล่อให้ยุงกัดโดยไม่ยอมปัดยอมไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของตัวเองจนอิ่มเพื่ออิ่มแล้วจะได้ไม่ไปกัดเตี่ยอูมื่งอายุเพียงแค่นี้ ก็ยังรู้จักรักผู้บังเกิดเก้าถึงปานนี้นับว่าเป็นยอดแผงลูกกระตันยูที่เขาบรรจุไว้ในตำแหน่งสุดยอดลูกกระตัญยูคนที่สิบเก้าต่อไปคนที่ยี่สิบนะแรงกระตัญยูนีสยบเสือโครมสมัยราชวงศ์จินมีเด็กหญิงยอดกระตันยูคนหนึ่งชื่อหยางเซียงอายุสิบเจ็ดสิบสี่ปีครับ อยู่มาวันหนึ่งขณะที่เธอติดตามเตี๋ยไปเกี่ยวข้าวปรากฏว่ามีเสือโคร่งตัวหนึ่งพุ่งกระโจนออกมาตะครุบแล้วก็คาบเตี๋ยของเธอไปต่อหน้าต่อตาอย่างเสียงไม่มีอาวุธอะไรในมือแต่ด้วยแรงกระตัญยูบวกกับความกล้าหาญเธอก็กระโดดขึ้นคล่อมบนหลังเสือโคร่งแล้วใช้มือทั้งสองบีบรัดคอเสือไว้นั่นใช้กำปัน้นจิกต่อยทุบตีไปที่หัวเสืออย่างไม่คิดชีวิต ในที่สุดเสือโครงตัวนั้นทานกำลังไม่ไหวหรือไงไม่รู้อ่อนแรงอยอมปล่อยพ่อเธอลงเพ่นหนีไปเตียยของหยางเสียงจึงรอดพ้นจากอันตรายเพราะแรงแห่งความประตันยูกะตะเวทีที่บันดานพละกำลังอันมหาศาลที่สามารถทำให้เด็กน้อยอายุสิบสี่ปีนี่สยบพญาเสือโครงได้ต่อไปคนที่ยี่สิบเอ็ดสมัยสามก๊กน่ะ มึ่งจงนี่เป็นกำพร้ากำพร้าเตี่ยตั้งแต่เด็กก็อยู่กับแม่ผู้ชาราและกำลังป่วยหนะักหมอที่ให้การรักษาก็แนะนำว่าต้องหาหน่อไม้สดมาต้มเป็นแกงจืดเพื่อจะรักษาโรคมึ่งจงก็ไม่รอชา้าด้วยความกังวลใจก็รีบไปเสาะหาหน่อไม้ในป่าไผ่เวลานั้นเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นยเยือกทีเดียวไม่มีนอไม้ที่ไหนเกิดขึ้นเลย เมื่อจนปัญญาก็โผเขากอดกอภัยร้องไห้อย่างน่าเวทนาด้วยอนุภาพแห่งความกัตันยูของเขาฟ้าดินก็ดนบันดาลให้หน่อไม้นี่ผุดขึ้นเหนือพื้นอย่างมากมายน่าอัศจรรย์เขาตื่นเต้นแล้วก็ดีใจสุดกายลงคุกข่าวกราบขอบคุณฟ้าดินแล้วก็รีบขุดเอาไปปรุงอาหารให้แม่จากนั้นมาอาการป่วยของแม่ก็หายวันหายคืนจนเป็นปกติทีนี้มาถึงลูกกัตันยูคนที่ยี่สิบสองนะ สมัยราชวงศ์ชีเฉยนโหนี่เข้าดำรงตำแหน่งนายอำเภอไม่ถึงสิบวันอยู่ๆก็รู้สึกใจสั่นเหงื่อไหลโทรมกายโดยไร้สาเหตุก็นึกสังหอนใจว่าทางบ้านคนจะเกิดเหตุอะไรขึ้นก็เลยลาราชการกลับบ้านเกิดเมื่อถึงบ้านก็พบว่าเตีย่ยเพิ่งจะป่วยได้สองวันหมอที่มารักษาบอกเขาว่าถ้าอยากรู้อาการของโรคว่า น, นักหรือเบาเพียงแค่ชิมอุจจาระคนไข้ก็จะทราบ หากอุจจระมีรสขมก็รักษาไม่ยากแต่หากมีรสหวานก็หมดหนทางรักษาเขียนโหลไม่รอช้าเลยเอาอุจจระของบิดาขึ้นชิมทันทีปรากฏว่ามีรสหวานก็ทำให้เขาทุกข์ใจมากเพราะหมอบอกว่าถ้าหวานนี่อันตรายพอตกคํำเขาก็อธิษฐานต่อเทพเจ้าเบื้องบนว่าตัวไม่อาจจะทนเห็นเตีย่ยต้องมารับความทุกข์ทรมานอย่างนี้หากชีวิตทดแทนชีวิตกันได้จะขอตายแทนเพื่อตอบแทนพระคุณของเตีย่ย ด้วยสำนึกแห่งความกระตันยูสะเทือนทว่าสะเทือนบินในไม่ช้าเตี่ของเขาก็กลับหายเป็นปกติได้ครับนั่นก็คือคนที่ยี่สิบสองครับทีนี้คนที่ยี่สิบสามเรื่องเกิดสมัยราชวงศ์ซองจูโซสังเมื่อครั้งอายุแค่เจ็ดขวบปรากฏว่าแม่ของเขาจะเป็นเมียน้อยของเตี่เนี่ยมักจะถูกเมียหลวงที่ริสยากลั่นแกล้งเสมอจนกระทั่งแม่ทนไม่ไหว จำต้องระเหตดตัวเองออกไปแต่งงานอยู่กินกระชายอื่นนับแต่นั้นมาแม่ลูกก็ต้องพรากจากกันห้าสิบปีผ่านไปจูโซจางก็เป็นขุนนางชั้นสูงแต่ว่าในใจเขาไม่ได้มีความสุขเลยระลึกถึงแต่แม่ผู้ให้กำเนิดตนอยู่เสมอก็ตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อไปติดตามเสาะหาแม่ก่อนออกเดินทางเขาก็บอกกับคนในบ้านว่าเราไปในครั้งนี้อาการตามหาแม่ของเราไม่สาเร็จเราขอสาบานว่าจะไม่กลับบ้านอีกจนช่วชีวิต อย่างนั้นก็ออกเดินทางเร่ร่อนไปตามชนบทหัวเมืองใหญ่น้อยเป็นเวลาเกือบปีจนในที่สุดก็ได้พบกับแม่บังเกิดเกล้าที่จากกันมานานเวลานั้นแม่มีอายุ70 ป, ปีแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของลูกกระตันยูอีกคนหนึ่งเป็นคนที่23คนที่24ครับคนสุดท้ายสมัยราชวงศ์ซองอ่า หวงถิ่งเจียนเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่มีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดกล้าเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะมียศศักดิ์สูงส่งเป็นที่เคารพนับถือคนทั่วไปแต่ก็ไม่เคยที่จะละเลยการปฏิบัติดูแลตามหน้าที่ของลูกที่ดีโดยปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งของแม่อย่างเคร่งครัดทุกวันเขาจะเทล้างถังอุจจาระของแม่ด้วยตนเองไม่ยอมใช้บ่าวไพร่เพราะยึดมั่นว่าเรื่องราวของพ่อแม่เนี่ยลูกสมควรเป็นคนดูแลและลงมือกระทำ ไม่ควรไปให้คนอื่นทำแทนการปฏิบัติอย่างนี้แสดงถึงความเคารพและกะตะันยูที่มีต่อพ่อแม่ดังนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นถึงขุนนางชั้นผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้ละเลยหรือว่าขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของลูกแม้แต่วันเดียวนี่คือยี่สิบสี่ยอดะตะันยูซึ่งชาวจีนถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่เขาจะใช้อบรมสั่งสอนเยาวชนของจีนอยู่เสมอ มาจงกระทั่งทุกวันนี้นะครับครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทาบุญกับอาจา ร, รย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกดแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถินโรงเรียนหอกระจายข่าว